ใจใหม่ตอนใจมีรักใจมีรักคือใจที่มีความสุขอยู่กับตนเองได้ไม่รอคอยความสุขจากคนอื่นไม่จมปลักอยู่กับวันเก่าสดชื่นตื่นเต็มกับทุกรุ่งอรุณราเริงอยู่กับการเห็นโลกด้านดีเต็มใจหันหลังให้โลกด้านร้ายสบายใจกับตัวตนที่เปิดเผย เคยชินกับการเห็นใจคนอื่นหยิบยื่นให้โดยไม่เสียดายเลิกโกรธง่ายหายบ้าชั่วนิวรัน์ความเหงามีพลังดึงดูดคนแปลกหน้าให้ก้าวเข้ามาแลดูกายกันชั่วคราวความอบอุ่นใจมีพลังดึงดูดคนคุ้นเคยให้ก้าวเข้ามาดูแลกันตลอดไป มีความสุขอยู่กับตัวเองยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งหวังว่าจะให้คนอื่นมีความสุขกับคุณได้คนมีความสุขอยู่กับตัวเองไม่ได้จะยิ้มทีก็ต้องมีสิ่งล่อใจภายนอกมาให้คนคนนั้นย่อมมีภาวะคลึงพามักมีหน้าตาเหมือนจ้องจะกินแรงไกลต่อกครซึ่งนั่นก็ชวนให้รู้สึกอยากออกห่าง ไม่มีใครอยากเข้ามาแบบภาระถึงแม้มีความดึงดูดทางกายภาพอยู่บ้างก็อาจเหนี่ยวนำใครบางคนมาหาเพื่อนับเวลาถอยหลังรอการจากไปหลังเน็ดนายเกินทนคนมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ยิ้มเองได้โดยไม่ต้องอาศัยเหยื่อลอบภายนอกจะแผ่รัศมีความอบอุ่นออกมา ทำให้คนอื่นรู้สึกอยากเข้าใกล้ไว้ใจว่าเป็นเขตปลอดภัยน่าฝากใจให้ดูแลกับทั้งก่อแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครนึกอยากดูแลตอบแม้ไม่ได้มีแรงดึงดูดทางกายภาพเกินธรรมดาก็ดึงดูดใจมากพอจะให้ใครต่อใครอยากอยู่ด้วยเพื่อขอส่วนความสุขและปันความสุขคืน สุดท้ายมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขคนที่รู้จักการมีความสุขที่ยั่งยืนอยู่กับตัวเองจะปฏิเสธความสุขชั่วคราวแบบผิดทางหรือความสุขแบบผิดฝาผิดตัวได้เหตุผลของการจับคู่กันชั่วคราวเป็นเรื่องหยับหยาบแต่เหตุผลของการอยู่ร่วมกันตลอดไปเป็นเรื่องละเอียดประณีตทั้งหมดทั้งหลาย เริ่มต้นที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานความรักเริ่มต้นด้วยความอบอุ่นใจเมื่อใจดีแล้วทุกอย่างในชีวิตย่อมดีตามคนที่เข้ามาในชีวิตย่อมดีด้วยความเป็นคู่รักจำเป็นต้องมีคนใจตรงกันสองคนแต่ความเป็นที่รัก แค่ใครสักคนทำตัวน่ารักคนเดียวพอแค่มีตัวตนเป็นแหล่งกระจายความสุขคุณก็มีความเป็นแสงสุขให้คนอื่นนึกรักแล้วแค่มีตัวตนเป็นความทุกข์คุณก็มีความเป็นหลุมดำให้คนอื่นลนลานหนีแล้วความสุขทางใจทุกยุคสมัยหยิบยืมจากใครไม่ได้ หรือจัดหางไม่ได้เอิท์หาจากเน็ตไม่ได้ต้องหาเอาจากตัวเองทำความสดชื่นและชุ่มเย็นให้ตัวเองเท่านั้นความสุขทางใจสมัยนี้หาจากสิ่งแวดล้อมได้ยากในเมื่ออะไรอะไรชวนให้รู้สึกทาใจได้ยากมากขึ้นทุกทีในเมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นภาวะแวดล้อมบีบคั้นบังคับให้คิดร้ายต่อกันหนักขึ้นเรื่อยๆ หาคนเป็นที่รักยากหาคนน่าจิงชังง่ายความเหี่ยวแห้งระแวงแคลงใจจึงกระจายอยู่ทั่วไปหมดความสุขทางใจของคุณต้องเริ่มจากการตัดคําว่าทําใจได้ยากทิ้งไม่ว่าจะกําลังเผชิญสถานการณ์ลําบากอยู่เพียงใดพอตัดคํานี้ทิ้งจะรู้สึกผ่อนคลายลงหน่อยหนึ่งเปิดทางให้มีแก่ใจคิดดีๆ มองดีๆเพื่อให้เกิดถ้อยคำดีๆขึ้นใหม่ในหัวถ้าทำใจได้ยากก็ลองทําอย่างอื่นที่ง่ายกว่าดูบ้างคุณจะค่อยๆสร้างความเคยชินขึ้นใหม่ราวกับมีคาถาสักติดอยู่ในหัวกล่าวคือทุกๆครั้งที่เจอเรื่องลำบากไม่อยากทําใจก็กระซิบบอกตัวเองเรื่อยๆว่าทําอย่างอื่นทําอย่างอื่น คำอย่างอื่นคำสว่างบางทีก็แค่เป็นคำตรงข้ามกับคำมืดเท่านั้นเองเพียงฝึกคิดถึงคำสว่างแทนที่คำมืดทุกครั้งตัวตนของคุณจะมีความเป็นที่รักได้รวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจยิ่งภาพประกอบคนหนึ่งบอกว่า วันนี้จะไปขอแบ่งความสุขมาจากหัวใจใครดีเนาะอีกคนตอบว่ามาอีกแล้วขอทางทางวิญญาณ